ทิมไหนมาก่อนงนี้วงเหรอมาก่อนเหรอเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างภาวนาเป็นยังไงบ้างอืมก็เป็นมาเป็นอะไเป็นปมาณแล้วก็พิธีอุรณ์อันนี็่รอะไรทีกีกับเรง We're g o i n t e y n g a g a i เวลาที่เราทำงานนะรือว่าเราทำงานที่เป็นอกุศลเนี่ยเราไม่ได้ทำทั้งวันเพราะเราแยกชีวิตเราเป็นส่วนๆนสะส่วนไหนที่ทำเป็นอกุศลเราก็รู้ทันไปหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่เวลาที่เหลือนะไม่ใช่เวลาอากุศลเนี่ยเร า, าก็จะเป็นนึกถึงมันนะนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลแทนคือถ้าเราไปเมาว่า ทั้งหมดเป็นอกุศลทั้งวันเลยไม่ใช่แล้วเหมือนเรามีผ้าอยู่ผืนหนึ่งนะมีรอยเปื้อนอยู่หน่อยหนึ่งเรามวแต่ดูที่รอยเปื้อนเราไม่ดูผ้าทั้งผืนที่มันไม่เปื้อนโมแต่หมกมุ่นอยู่กับรอยเปื้อนอันเดียวจิตใจเศร้าหมองงั้นคอยรู้สึกไปหน้าแยกชีวิตเป็นส่วนๆนสะส่วนใดอย่างเวลาเราทําผิดศีลเวลาผิดศีลเราไม่ได้ผิดทั้งวัน กระทั้งชาวประมงนะถ้าเขาฉลาดนิดหนึ่งอย่างตอนเขาจับปลานะ่ะอาปุสนแนๆ่ๆแล้วทำบาปแต่เวลาที่เขายังไม่ได้จับถ้าทําสติไปจเจริญปุสนไปมันก็ได้บุญไปคนละส่วนกันนี่ไม่ได้ทําอาปุสนทั้งวั น, น่ใครมาต่อไปนุชรัตน์แต่คนนี้ไม่ต้องก็ได้เสียงดังได้ใหม่เดี๋ยวจะคุยยาว นคานิดขณะนี้เป็นยังไงแย่่งอะเออ่กงก็เขงสินะออกว่า แ, แย่เนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรทำไมเกร็งอะใจมันอยาก คือการเกลรงที่ใจมันเกล็งขึ้นมาก็คือมันทํากรรมบางอย่างขึ้นมากรรมที่มันทํามันเกรง mm hmm. เบื้องหลังการที่มันทํานี้ก็ต้มีตัณหาอยู่เบื้องหลังมั้งมีความอยากอ ย, กอยู่เบื้องหลังอยากให้มันดีอยากจะมีสติอยากจะรู้สึกตัวพออยากขึ้นมาก็เกรงขึ้นมาใช่ไหมจิตท mm hmm. ่านเมื่อไหรอยากขึ้นมานะก็ลงมือทําลงมือทําก็ หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึงซึงทื่อขึ้นมาตรงที่มันเกรงหนักๆนักแน่นแน่นเนี่ยอืออัดไหมเกลียดมันไหมเกลียดมันนะครัน่าสงสารนะชินกับความทุกข์ยากก็ดีแล้วนะแต่ไม่จมลงไปในก้อนทุกข์นี้ก็ดีแล้ว เหนไรนะความโง่ความโง่เออมันไม่ใช่เห็นความโง่หรอกมันแค่รู้ทันสภาวะนจิตมันก็เบิกบานไม่ต้องเห็นความโง่นะเห็นอย่างอื่นก็เบิกบานแต่ว่าจิตที่มันเบิกบานเพราะมันมีสติเมื่อมันมีสติมันเป็นกุศลเมื่อมันเป็นกุศลมันมีความสุขมันเบิกบานมีสมนัตสมนัตเวทนาเบิกบานใจแต่บางทีก็เป็นกุเบขา ไม่โทมนัตทุกทีหรอกนะบางทีก็เป็นอุเบกขาแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยจะมีโทมนัตอกุศลตระกูลโทสะฮะถ้ากุศลตระกูลโลคะราคะอะไรนี่ก็ไม่โทมนัตหรอกมีความสุขได้เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงมันตัวปลอมที่เจ็บกดเอาไว้ ตอนนี้พอใจของเราปล่อยมันให้มันทํางานตามรู้ตามดูนะมันร้ายกว่าเก่าการสุรวัตรเป็นไงสุรวัตรไม่ค่อยได้ค <c oughs> <hiking>? ุย <heter> ก <Berlin> ันนะมันมีอุปสรรคมากมีอุปสรรคเล็กๆตัวเล็กๆเป็นไงอาจารย์สุรวัตร แข่งขื้นมันเป็นวิบากเกิดจากการกระทากรรมคือความจงใจจะไปบังคับมันเบื้องหลังความจงใจคืออยากอยากสงบเบื้องหลังอยากสงบคือเอาวิชาไม่รู้ว่าจิตไม่ใช่เราเรายึดถือสำคัญมั่นหมายยึดถือเอาไว้เราอยากให้จิตมีความสุขก็เลยเกิดการกระทาปรูงแต่งฝ่ายกุศลขึ้นมา เป็นกุศลนะรุงแต่งใส่กุศลแต่ว่าเป็นโลคิยะกุศลห้ามมันไม่ได้หรอกนะชือว่าสมถะเคล็ดลับของการทำสมถะต้องทำให้มีความสุขนะถ้าใจของเรานึกถึงอารมณ์ใส่กุศลนั่นใดแล้วมีความสุขเราก็นึกอันนั้นแหละาอารมณ์ของสมถะใช้อารมณ์บัญญัตง่ายนึกถึงเรื่องราวที่เป็นกุศลเพื่อจิตใจมีความสุขก็ใช้ได้ คนนึกถึงในหลวงนึกถึงสมเด็จพระเทพอะไรงี้ยมีความสุขอันนี้เรียกว่าเทวดานุสตินึกถึงธรรมะแล้วมีความสุขไปอ่านหนังสือธรรมะจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขจะเป็นธรรมานุสติดูลมหายใจดูเล่นๆอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบจิตใจไม่มีความสุขมันจะไม่สงบต้องมีความสุขมถึงจะมีความสงบนะความสุขเป็นต้นทาง ความสงบก็เป็นปลายทางล้วชับกับหัวกับหางธรรมะตลอดนะเราคิดว่าถ้าสงบลรวจะสุขถ้าใจไม่มีความสุขมันไม่ยอมสงบหรอกแล้วไงแา่สุรวัติก็ดีแล้วนะ ความสงบเป็นเจตสิกเป็นตัวสังขารใช่ใจที่ไปรู้เนี่ก็เป็นตัวจิตที่ไปรู้มันคนละตัวกันร่างกายก้อนหนึงนนน่งเวทนาก้อนหนึ่งตัวความรู้สึกสงบก็อีกอันหนึง่งตัวที่ไปรู้ก็อีกอันหนึง่งแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งมาเกิดทีหลังเองรู้ว่าเมื่อกี้รู้ตัวอีกแล้วจนะซอน ไ, ได้เรื่อย ต้องไงตอนนี้โดนสระจนแล้วอาจารย์สุวัสดูนน์ดูไว้เรื่อยๆจิตมันมัวนิดหนึ่งรูออกไหมมันมีโมหันนิดหนึ่งรู้ว่ามีโมหันผลเป็นไงผล อืมนะ่ต้องหลุดเองนะไม่ใช่จงใจปล่อยจงใจปล่อยไม่หลุดหรอกจิตจะอกุศลจิตมีโลภะอยากปล่อยจิตไม่ชอบความทุกข์นี่มีโทสะเยอะดีแล้วล่ะนะภาวนาได้ดีเอาอาจารย์ปู คือถ้าเรารู้เรื่องที่คิดนะเราจะหลงไปถ้าเรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมานะการรู้ว่าจิตคิดนี่สําคัญคนส่วนใหญ่รู้แต่เรื่องที่คิดการรู้เรื่องที่คิดไม่อัศจรรย์หมามันก็รู้นะหมามันคิดอะไรมันก็รู้เรื่องที่มันคิดแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตไปคิดนี่รู้ว่าลมปรมัดแล้วจิตจะตื่นขึ้นมา รู้ว่าคิดนะรู้ว่าใจคิดไม่ใช like ่รู้เรื่องที่คิดหรือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของสิ่งบางสิ่งของรูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวตรงเราเคลื่อนไหวนี่เป็นความคิดอย่างเราดูท้องท้องผ่องยุคถ้าเรารู้ส er ึกถึงความเคลื่อนไหวของสิ่งบางสิ่งอันนี้รู้สึกถูก ถ้ารู้สึกว่าท้องเรากําลังคองท้องเรากำลงยุคนี่บัญญัติใส่บัญญัติลงไปและจิตทัดไปเป็นบัญญัติก็ได้แต่สมสถะไปรู้บัญญัติวิปัสนาต้องรู้รูปนามรู้กายรู้ใจแต่ว่ารู้รูปนามอย่างเดียวไม่พอเพราะมีเงื่อนไขวิปัสนาเนี่ยต้องรู้ลักษณะของรูปนามคือรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเรียกว่าวิปัสนา นำทางไปเพ่งใส่ตัวรูปนามมันก็ยังเพ่งอีกเลยยังไปเพ่งเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเพ่งอะไรนี่กาเป็นการเพ่งเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็เพ่งต้องรู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไปคุณผู้ชายอยู่ ใ, ใกล้ๆรับไมโครโฟนต่อเลย บางคพอเราเรียนอย่างเดียวทุกทีก็ทอก็จะเกิดเจตนาไมรอที่เนั้นอันนั้นแหะนะมันเริ่มเดินปัญญาแล้วการพิจัยเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเบื้องหลังของมันคือโลภเจตนาไม่ใช่เจตนาธรรมดาหรอกเกิดด้วยโลภด้วยเพ่งโลภเจตนาเช่นอยากสงบก็เลยไปเพ่งไว้ในขณะที่เราไปเพ่งด้วยความอยากสงบเนี่ยความอยากสงบยังดํารงอยู่ พราะฉะนั้นสติตัวจริงจะไม่เกิดเลยเพราะอกุศลคือโลภะเจตนากําลังเกิดอยู่ฉะนั้นทํายังไงมันก็จิตใจไม่เป็นกุศลเจืออึดอจิตที่เป็นกุศลมันจะนุ่มนวลมันจะเบามันจะอ่อนโยนต้องแคล่วว่องไวนะพวกเราทราบดนวเราไม่ค่อยเรียนเรื่องจิตกันบางคนมาประกาศรือซ้ําไปว่าต้องเรียนเรื่องกายก่อนนี่ไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน หลักสูตรของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าไตรสิกขาบทที่หนึ่งชื่อศีละสิกขาเรียนว่าทํายังไงจิตใจของเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำํำก็ต้องมีสติเมมีสติเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใสกระทบอารมณ์มีสติเนียอกูสนจะครอบงําใจไม่ได้มันจะมีศีลที่เรียกว่าอินทสียสังวรสีนั้นสีไม่ใช่อยู่ๆก็ไปขอมาจับพระนะขอแล้วก็ลืมๆแล้วบอกว่ามีศีลใช้ไม่ได้หรอก ศีลต้องมีอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะว่าเรามีสตินี่ต้องเรียนนะบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตนีบางคนประกาศโกลมกลามออกมานะว่ายังเรียนเรื่องจิตไม่ได้ต้องไปเรียนเรื่องกายเพราะบทเรียนที่สองมันชื่อจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตให้รู้ว่าลักษณะของจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนเอาไว้ทําสมถะจิตชนิดไหนเอาไว้ทํำวิปัสสนา จชนิดไหนเอาไว้อยู่กับโลกถ้าเรารู้จกักลักษณะของจิตแต่ละชนิดนั้นเนี่ยเราก็จะมีจิตที่พร้อมกับการไปลงมือปฏิบัติในเจริญปัญญาเราก็ต้องใช้จิตที่พร้อมกับการเจริญพร้อมจะเจริญปัญญาไปเจริญปัญญาคราวนี้จะรู้กายหรือจะรู้จิตก็ได้ละตรงนี้ยเวลาเจริญปัญญาก็ามีรู้กายกับรู้จิตจะรู้ว่าไหนก่อนก็ได้ในสติปัฏฐานสี่นะ นะบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมนะอันดันหนึ่งก็ได้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้นี่บางคนคิดว่าถือศีลเสร็จแล้วก็ไปทำสมาธิเรียกว่าจิตสิกขานะจิตสิกขาไม่ใช่แค่ไปทำสมาธินะจิตสิกขาเนะี่ยเราเรียนรู้ลักษณะของจิต เป็เรารู้เลยจิตชนิดไหนมันกำลังทาสมถะจิตชนิดไหนมันเจริญปัญญาจิตชนิดไหนมีสติอย่างเดียวจิตชนิดไหนมีสติปัญญาไม่เหมือนกันนี้เวลาเราทําสมถะเราก็ใช้จิตที่มีสติไปรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับคือรู้อย่างสบายๆจิตก็จะสงบถ้าเราจะทํำวิปัสสนาเราก็ต้องใช้จิตที่มีสติสมรรถัญญามีทั้งสติทั้งปัญญาเนี่ยไปทํำวิปัสสนา สติเป็นตัวระรึกนะเช่นเราดูกายเนี่ยเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่เผลอไปสติเป็นคนรู้นะถึงการเคลื่อนไหวของลมของธาตุธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเนี่ยสติเป็นคนไปรู้นะปัญญารู้ความเป็นจริงของเขารู้ลักษณะของเขาว่าไอตัวที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกนะไม่มีตัวเรา มีแต่วัตถุที่กําลังกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ที่เรียกว่ามีสติมีปัญญานะแล้วมันจะเห็นในกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาลำพังไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอันเดียวได้แต่สมถะเพ่งท้องอย่างเดียวก็ได้สมถะนะเดินจงกรมไปเพ่งที่เท้าก็ได้สมถะแต่ถ้าเดินจงกรมเราเห็นเท้าเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจมันมีสติ นะรู้ถึงความเคลื่อนไหวของเท้ามีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายใจเราเป็นแค่คนดูใจเราตั้งมั่นมีสัมมาส ม, มาธิมีปัญญารู้ว่าสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปมันเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่คิดนะเป็นความรู้สึกนี่เป็นความรู้สึกนี่เรียกว่าเป็นปัญญาต่สติสมาธิปัญญามันร่วมกันทำงาน ร่วมกันทำงานสติก็ตัวสัมมาสตินั่นเองสมาทิสก็คือตัวสัมมาสมาธินั่นเองตัวปัญญาก็คือตัวสัมมาธิกินั่นเองช่วยกันทํางานมักไม่ใช่แยกเป็นตัวเดียวตัวเดียวนะมักมีหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างโดยเฉพาะตัวที่เราใช้ลงมือปฏิบัติเนี่ยตัวสติสมาธิปัญญาตัวสําคัญถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะสัมมาวาจามันก็ดีเองแหละ สัมมาชีวะมันก็ดีเองนะละสัมมากัมมันตะมันก็ดีเอง ก, การที่มีสติอยู่นะั่น <c oughs> ก็คือมีความเพียรชอบสัมมาวา ย, ยามะก็เกิดอยู่ล้วเพราะงั้นขอให้มีสัมมาสติถูกต้องเนยสัมมามอื่นๆจะเกิดอัตโนมัติเกิดอัตโนมัติแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวไม่ใช่สัมมาสตินะสัมมาจิตสีสัมมาสังกัปปะอะไรนี้ไม่เกิดออกครับคุณผู้หญิงถัดมา ม, มันไม่ดียังไงอย่ายนานเออหลงนานไม่ดีนะหลงบ่อยดี <c oughs> รู้สึกไหมเราบังคับตัวเองอยู่ตอเนี้รติดไม่คลายหลกหลงไปเดี๋ยกลัวหลงนะพอเรากลัวหลงแนะเราก็เลยไปดึงเอาไว้พอดึงเอาไว้ใจก็แข็งแข็งทื่อๆรู้สึกไหมใจแข็งทื่อตรงนี้ไม่ถูกนะ หนักหนักนะนะจิตใจที่หนักหนักนะอกุศลนะ <c oughs> ใจที่เป็นกุศลมันเบาแล้วไง <c oughs> ทำไม่ได้หรอกนะถ้าทำจิตให้เป็นไปอย่างใจชอบนี่จิตจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาแต่ถ้าเราทำเหตุของเขานะ ทำเหตุให้จิตตั้งมั่นจิตก็จะตั้งมั่นทำเหตุให้จิตมีสติจิตก็มีสติทำเหตุให้จิตมีปัญญาจิตก็จะมีปัญญาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยอาศัยสติสติไปรู้สภาวะตามความเป็นจริงถ้าสติรู้สภาวะเนี่ยใจมันจะตั้งขึ้นมาใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาความจ ร, รทิงที่ใจตั้งมั่นได้เพราะใจมันมีความสุขนะ สติเราไปรู้กายรู้ใจเนี่มันจะตื่นขึ้นมาจิตใจจะมีความสุขจิตใจมีความสุขจิตใจจะตั้งมั่นสมาธิเกิดจากความสุขนะสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับสติเกิดจากการจําสภาวะได้สติก็ไม่ได้เกิดจากการบังคับปัญญาเกิดจากการที่ใจของเราตั้งมั่นเกิดจากสมาสมาธิปัญญาก็ไม่ใช้เกิดจากการคิดๆเอาเขี่ยวเข็นให้มันเกิดปัญญาะสิ่งทั้งหลายมีเหตุทั้งหมดนะ หลวงพ่เขียนไม่ให้อ่านนั่นในหนังสือทางเอกนะเาไปอ่านเราเองี่เจดพูดแล้วเนาะแล้วเป็นไงแต่ดว่ื่นะดไอย่างี้ืไ่คิเาดนนีดแล้วน้ เข้าใจธรรมชาติข <c oughs> ึ mm ้นเพราะว่า hmm. ที่อยู hmm. ่ช <c oughs> <I> ่วงีอย okay. ่างที่ที่เดินเดินงไปทยามทุกคอเลยค่ะพอาะเก็นนต่รู้วีอยเนี่ยมัอว่าตีดจะจัามือท่ีเนี่ยัน้ว่ามันเห็นคาเปลี่ยนแปลงของสิ่ที่มันมันไวมากก็ก็รู้าเข้าใจธรรชาตินีวนะดูเปมีอาจารย์อยู่กับบ้านนะ อย่าดื้อาจารย์ก็แล้วกันเวลาอยู่ใกล้ๆกันคือแนะนํากันลำบากแล้วเราค่อยๆสังเกตไปค่อยๆเรียนรู้ไปนะการทำตามรูปแบบมีประโยชน์อาศัยการทำตามรูปแบบนั่นแหะแล้วมาค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเพราะ้วอไม่เก็เเดินไปนะแต่ระวังแข็งเกินไปก็แล้วกัน ใจเริ่มแข็งเกินไปนิดหนึ่งแล้วดูออกไหมแข็งเกินไปนิดหนึง่งนะ้ตั้งมั่นมากไปท่านตึกสอนหน้าว่าในอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งมากไปน้อยไปไม่ดีมีสติตัวเดียวนะยิ่งมากยิ่งดีอย่างอื่นมากไปน้อยไปไม่ดีทั้งนั้นแต่ธรรมากไปก็ไม่ดีธรรมาน้อยไปก็ไม่ดีสมาธิปัญญา ความเพียรมากไปน้อยไปไม่ดีทั้งนั้นแต่สติยิ่งมากยิ่งดีคําว่าสติมากไม่ใช่แปลว่าเกิดสตินานๆสติเกิดแล้วก็ดับทีละขณะสติมากหมายถึงเกิดสติบ่อยๆสติเกิดบ่อยเพราะจิตจําสภาวะได้มากอย่างเรารู้ว่าเผลอเป็นไงพอใจเผลอแวบมันก็ตื่นขึ้นมาแนละเรารู้สภาวะให้เยอะเราจําสภาวะได้มากแล้วก็เราหัดดูบ่อยๆ รู้า ก, กายเนืองเนืองก็จะจําสภาวะของกายได้รู้จิตเนืองเนืองก็จะจําสภาวะของจิตได้ดีแล้วนะแบ่งวันมัดดีเลยยุ่งจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวพูดๆแล้วเข้าปากไปเลยแย่เลยนะเดี๋ยวไม่มีใครประเคียนสันเข้าไปอาบัต ทำให้มันอ่อนๆหน่อยทำใจให้มันสบายกว่า น, นี้ทำใจให้มันสบายให้มันเบาๆหน่อยมันจริงจังมากไปจริงจังมากไปพอเราเริ่มปฏิบัติเริ่มเห็นผลนะมันเลยจริงจังมากไปอ่ะใครจะต่อเอ่ะคุณ ผ, ผู้หญิงเนี่ยที่มีแมงตอหลายตัวเนี่ย ดีแล้วดีแล้วดูไปอย่างนั้นเลยแต่ดูไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งหรือปฏิเสธอันใดอันหนึ่งนะเราเห็นสภาวะทั้งหลายเพื่อจะได้เห็นความจริงมันสภาวะทั้งหลายมันจะเกิดแล้วก็ดับไปมันแต่บังคับไม่ได้ต้องการแค่นั้นแนะ่ะ แล้วที่เรารู้ทันแท้จริงแล้วอย่างการที่เราพยายามฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้สงบเนี่ยเพื่อสนับสนุนอัตตาตัวตนนั่นเองถ้าเรารู้ไม่ทันก็จะหลงไปเลยถ้ารู้ทันไม่มีปัญหาความปรุงแต่งฝ่กุศลทั้งหลายนะั่ะก็สนองอัตตาตัวตนเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเพราะฉนั้นที่เราเคยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อย จนวันหนึ่งเรารู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะทางรอดอยู่ที่ตรงนี้นี่นะปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะั้ไม่เคยเห็นเลยว่ากําลังปรุงแต่งกูสนอยู่กํนะาลังพยายามควบคุมกายควบคุมใจนะอย่าว่าแต่จะเห็นลึกลงไปถึงเบื้องหลังนะเลยบื้องหลังก็คือจะสนับสนุนอัตราตัวตนนั่นเองอยากให้ตัวกูมีความสุขนั่นแหละดีที่เห็นนะค่อยๆรู้ไปแต่อย่ารีคิดนะ ไปนั่งคิดเอาแหมพิจรารณาไปเรื่อยๆไม่ดีอใครจะคุยต่อคุณ<อ>เพื่อเหลือคุยยังคุยไปแล้วนะหลวงพ่อจําไม่ได้หรอกครับแล้วก็เลิกกันเลยครับคุณผู้ชายเนี่ยเวลาหลวงพ่อจะให้ไมโครโฟนใครหลวงพ่อต้องดูก่อนเนียบางคนเป็นโรคที่จับไมโครโฟนแล้วพูดไม่เลิอกอันเนี้ยจะไปแย่งคืนก็ยากนะวิ่งลงไปแย่งก็ลําบากเพราะงั้นใครจะพูดกับหลวงพ่ออย่าพูดยาวนะ คนพูดมากเลยไม่ได้กินหรอกธรรมะธรรมะก็ไม่ได้เอาไว้ฟังเอาไว้คุยธรรมะก็ไว้ดูอะฮะคุยได้สุขตั้ง ไปนะ ร, รู้ไปดีแล้วรู้ได้ถูกต้องแนละ้วโมหะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่นนะมันมีโมหะขึ้นมามันก็อยากจะมีความสุขพอความอยากที่จะมีความสุขไม่ได้รับการตอบสนองโทสะก็เกิดมันเกิดไล่กันมนะไป ร, รู้ไปดีและกิเลสเกิดบ่อยไม่วันหนึง่งเกิดอีกครั้ง ตอนหลวงพ่อปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่ได้นับว่าวันหนึ่งเกิดกิเลสกี่ครั้งหลวงพ่อนับว่านาทีหนึ่งอะเกิดกี่ครั้งเพราะจริงๆแล้วเราเกิดกิเลสอยู่แทบตลอดเวลากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดน้อยที่สุดเลยอกุศลเกิดมากที่สุดเลยโดยเฉพาะโมหะใจเราจะหลงใจเราฟุ้งซ่านไปอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านไปจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้ลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจ โมหะเกิดขึ้นมามนทําให้รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้อย่างตอนเนี้โมหะเกิดแล้วทราบไหมหลงไปคิดตามที่หลวงพ่อบอกรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจแต่อย่างนี้ถ้าเทียบกับชาวโลกถือว่าดีถูกต้องแล้วเพราะเวลาฟังก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องตั้งใจคิดด้วยรู้สึกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหมฟังนิดเดียวแต่คิดยาวๆดูออกไหม ให้คอยรู้ทันจิตตนเองนะจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ถ้าเรารู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงเนี่ยโมหะมันไม่มาดอกใจลอยไปแล้วทราบไหมใจไหลแวบไปเนี่ยนะให้คอยรู้อย่างนี้นะะคุณดอกกุหลาบเนี่ย ผ่านไหมเดี๋ยวฝึกมาแบบไหนล่ะเดียวค ร, รับคือสติของเรายัางไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะสติตัวจริงยังไม่ได้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวค่อยๆฟังหลวงพ่อไปก่อน อย่างตอนนี้รู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเองแะเราตั้งใจจะมาฟังหลวงพ่อพูดใช่ไหมแ ต, แต่ว่าในขณนะนั้นเราลืมตัวเราเองแต่ตอนที่เล่าให้ส่งพ่อฟังเมื่อกี้รู้สึกไหมเราก็ลืมตัวเราเองเราหัดเนี่ยอยากพูดขึ้นมาเราก็รู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันสภาวะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆการปฏิบัติเบื้องต้นไม่มีอะไรมากหรอก คอยรู้สภาวะไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้อย่าใจลอยนะจิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไว้เนี่ยใจลอยแวบๆแไปแล้วรู้สึกไหมแล้วก็จะแอ บ, บไปคิดดูออกไหมเนี่ยหรือไปคิดแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองแลลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ลืมกายลืมใ จ, นะ ไ, มมใจไม่นั่นเรียกขัดติดละขาดสัมนะมาสติเนี่ยใจลอยอีกแว บ, บหนึ่งแล้วทราบไหมเดี๋ยวฟังไปก่อนนะ เตรียมรั น, นะยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสะครังเอวเมวายโตินนงเปตานางุปกปติอิชิตังปติตังุมังกิ ป, ปเมวะสมิตสตูสัพเเพปุเรนตูสังกปะจันโตปนราโซยถ า, ามณิชโชติราโยถ า, าสัพกิตโวิวัตันโตสัพาโรคโควินาสต มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีายุโกภวอภิวาฒนีลสนจังุทาปจายโนจตารธมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพังคลังรักขตุสัพเตวตาสัพพุทธานุาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะสัพสังานุาเวนะ ตถาโสดีประวันกุเต